บ่ฮุงเวสารนังยันตีป่พตานีวานานิจาอารามมรุเจตยานีมนุษสาวพยาตาชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสารณมุตตะมัง เนตังตระนามกามาซาบาดุคาปโมจติโยจะาบุตรทันจะาธรรมัญจะสังขัญจ่าสารนังฆโตจตารีอริยสัจานีสัมมาปัญญาญาปัสติทุกขังทุกขสมุปปัฏาน ทุกคสาจะติกมังอริยจะทังขิกงมังคังทุโคปสัมคามินางเอตังโคสรณังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณมากัมมาสบดุขาพะมจติ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อพระบระมา ศ, าศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคูกคามแล้วมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเก็บและความตาย มันตะไครคือความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเบียดเบียนกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแล้วมนุษย์ก็ถือต้นไม้เป็นสรณะบ้างถือภูเขาเป็นสรณะบ้างถือพระอินทร์พระจันทร์พระพรหมเป็นต้นเป็นสระบ้างพระปรมาสสะดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สระอันสูงสุด เมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมาหมานแตภัยมหมาหนตทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระริยสง์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่กําจัดภัยได้อย่างแท้จริงเข้ามาศึกษาฝึกผลประพฤติปฏิบัติจนสา ม, มารถทําศีลสมาธิโดยเฉพาะธรรมญาปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นแจ้งแทงตลอดทุกขสัจจะ ด้วยการกําหนดรู้สมุดธ ร, รียสัจจะด้วยการละนิโรธสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญและอบรมเขาสามารถผันตนเองจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเป็นต้นได้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณาอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณาอันสูงสุดเมื่อประชาัตว์อาศาัยสารณาเหล่านั้นแล้วจึงสามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกเป็นต้นได้ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายมาปารบงานบรรพชาอุปสมบทของนาคอนัตชัยใช่ไหมขวัญเมืองซึ่งมียอมพ่อก็คือทิจีระขวัญเมืองแล้วก็แม่ก็คือนางปราณีใช่ไหมนางมคุณก็ขวัญเมืองแล้วก็ตลอดถึงญาติมิตรทั้งหลาย ที่เรามาพร้อมใจกันในการร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในงานบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้เราท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงณสถานที่เหล่านี้แล้วเนี่ยถามว่าการที่เรามากันนี้เรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อต้องการจะมาร่วมอนุโมทนาอนุอนุโมทนานั้นคืออะไรอนุโมทนาคือเกิดมาพลอยเยินดีพลอยยินดีกับ บุคคลที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัดที่เราเรียกกันว่ามาบวชพระเขาเรียกว่าบวบัญปชาเป็นสัมมาเนและอุปสมบทเป็นพระทีนี้เมื่อเรามาถึงกันแล้วสิ่งที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดคืออะไรที่ควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือว่าที่เราเรียกว่าบวชพระเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่า งานบวชเนี่ยมันหมายถึงอะไรใช่ไหมเราไปกันมามากจัดงานประเพณีเสียงเงินเสียทองกันก็เยอะฉะนั้นในงานประเพณีทั้งหลายที่เรามาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะมาอนุโมทนาก็คือมาพอยเย็นดีคําว่าอนุโมทนาเนี่ยก็แปลมาพอยยินดีมาชื่นชมมายินดีกับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีความเรื่อมใส ในการที่จะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัฒน์ก็คือมาบวชเป็นพระภิกษุเข้าสู่ในพระศาสนาทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าในการบวชเนี่ยถ้าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาบวชกันเพื่ออะไรใช่ไหนี่ดูสมัยครั้งพุทธกาลก่อนนะถ้าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยสมัยก่อนถ้าบวชแบบอุกาศาเมื่อสักครู่ที่โยมเป็นมัคนายกเนี่ย เจ้าของวูาก า, าสาสาทเป็นก้นเนี่ยที่จำว่าสพัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกระดานายะแปลว่าอะไรเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเข้ามาบวชบอกพระพุทเจ้าเนี่ยมีจิตศรัทธามีความตั้งมั่นมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาถือเพศเป็นนักบวชเพื่ออะไรเพื่อจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้ไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าใช่ไหม พระเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทิ้งอะไรทิ้งราชสมบัติทิ้งบุตรทิ้งภรรยาทิ้งญาติมิตรในการที่จะมาเพ่นบำเพ็ญเนคขมมะเหตุผลก็เพราะต้องการแสวงหาอะไรก็คือแสวงหาโมกขธรรมโมกขธรรมในที่นั้นก็คือต้องการจะหลุดพ้นจากชาติคือความเกิดชรลาคือความแก่พยาทีคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายต้องการจะพ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจคือต้องการจะเข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานเนี่ยคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกก็ต้องการทําให้กิเลสคือราคะความกําหนัดโทสะคือความโกรธโมหะคือความมืดบอดเนี่ยนิพพานต้องการจะทําให้กระแสะชีวิตนั้นนิพพานจบการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดบ่อยๆมาเกิดบ่อยๆมาแก่บ่อยๆมาเจ็บบ่อยๆ อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมว่าบุคคลที่เบื่อหน่าย ในเพศคารวะวิสัยมองเห็นว่าการเป็นคารวะเนี่ยมันเป็นคับแคบหนึ่งคับแคบด้วยอะไรคับแคบด้วยความว่าด้วยกิเลสเป็นเครื่องกังวลทั้งหลายใช่ไหมต้องเจ็บปวดด้วยความกำหนัดความขัดเคืองความมัวเมาลุ่มหลงมาร้อมมา ร, มมารุมล้อมกระแสชีวิตทําให้ชีวิตนะ่าเกิดความคับแคบไม่โปร่งไม่โลง่งไม่เบาไม่เป็นอิสระไม่เป็นเสรีภาพ เหมือนในสามัญญผลลสูตรใช่ไหมพระเจ้าอาชาสตรูไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบอกว่าานิสง์ของการบวชเป็นนักบวชเนี่ยานิสง์ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการบวชานิสงที่เกิดขึ้นจากการบวชที่จะสามารถเห็นได้ชัดในปัจจุบันเนี่ยพระองค์สามารถจะชี้แจงให้เห็นได้อย่างชัดเจนได้ไหม พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าได้มหาบุพพิธโดยสรุปประเด็นนะหนึ่งอานิสงส์ของการบวชในข้อแรกก็คือว่าปกติเนี่ยคนที่เป็นคารวาททั้งหลายเนี่ยต้องเป็นลูกน้องต้องเป็นขี้ข้าคนอื่นเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นขี้ข้าของลูกก็ได้เป็นสามีเป็นขี้ข้าของภรรยาก็ได้เป็นภรรยาเป็นขี้ข้าของสามีเป็นลูกน้องเป็นขี้ขาของเจ้านายตามลําดับซึ่งเราก็รู้กันอยู่ ให้สังเกตดูนะว่าทุกระดับชั้นเนี่ยโดยมากก็เป็นลูกน้องเราไร่ตั้งแต่อะไรตั้งแต่ประชาชนก็มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านก็มีกำนันเป็นหัวหน้ากำนันก็มีนายอำเภอนายอำเภอก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงก็มีโน่นอ่ะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็มีนายกนายกก็มีโน้นสูงสุดก็คือพระเจ้าพผ่นดินเห็นไหมว่าชีวิตจริงๆก็คือเป็นชีวิตที่เป็นลูกน้องเป็นขี้ข้า แต่ถ้าหากท่านผู้ใดมาบวชปุ๊บสถานภาพแห่งความเป็นลูกน้องมันหมดเห็นไหมมันหมดเลยไม่ต้องเป็นขี้ข่าใครไม่ต้องไปรับใช้ไปสัมณะเชื้อสายศักยตบุตรพุทธชิโนโอรสเนี่ยไม่เป็นลูกน้องใครเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบาไม่ต้องไปทํางานรับใช้ใครอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พระเจ้าก็ถามว่าถือว่าเป็นอนิสงฆ์แห่งการบวชข้อแรกได้ไหมพระเจ้าชาติสโตูก็บอกว่าได้ พระพุทธเจ้าข้านี้เป็นต้นนี่ไหมอั น, นิี่สองบทข้อแรกข้อที่2องอันที่สอแห่งการเป็นนักบวชในข้อแรกที่เห็นประจักษ์ชัดจริงๆหมายถึงนักบวชจริงๆนะที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่าปกติชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นประชาชนโดยทั่วไปก็ต้องเสียภาษีากรภาษีบ้านภาษีรถภาษีโ ร, ร, ร, รงเรือนภาษีที่ดินตลอดถึงไปจับจ่ายใช้สอยทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องเสียข้าวแวกเจะขึ้นเป็น8เป็น9เป็นสิ รวมเบษษ็ดเสร็จก็คือว่าต้องเสียภาษีไม่ต่ำกว่า 30- มสถึงสีอร์เในคนคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็คือว่าต้องจ่ายภาษีอกรแต่ชีวิตของสมณะเชื้อสายศักยตบุตรพุทธชิโนโอรสเป็นการที่เข้ามาเป็นสมณะเป็นนักบวชแล้วเนี่ยไม่มีเย่าเรือนไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงใดๆก็แปลว่าหมดสถานภาพในการที่จะต้องไปทำมาหากินแล้วก็เลยไม่ถูกเก็บภาษีอกร อันนี้ก็เป็นความสุขเป็นความเบาเป็นความโปร่งเป็นโล่งโล่งเบาอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการบวชที่เห็นชัดในปัจจุบันเพราะจะเห็นไหมหนึ่งไม่ต้องเป็นลูกน้องใครสองไม่ต้องจ่ายภาษีากกอันนี้ข้อที่สองนี่เห็นไหมก็เป็นความสุขเป็นความโปร่งเป็นความโล่งเป็นความเบาในระดับที่2ระดับที่สความสุขที่เกิดขึ้นจากการเป็นนักบวชเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสีลสุข สีรสุก็คือสุขที่มาประพฤติปฏิบัติในกุตัวกุศลศีลภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าการมาประพฤติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในปาติโมกสังวรศีลคาว่าปาติโมกเนี่ยปาติเนี่ยปาตะเนี่ยก็ปยแปลว่าตกไปสัตว์ทั้งหลายที่เป็นปาตีบุคคลก็ลแปลว่าสัตว์นั้นจะต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างตกไปอยู่ในสังสารวัตรบ้างแต่คําว่าโมกขาเนี่แปลว่าหลุดพ้น ฉะนั้นปาฏิโมกก็แปลว่าศีลเนี่ยปฏิโมกสังวรศีลศีลที่ยังประชาสัตว์หรือบุคคลที่รักษาหรือประพฤติปฏิบัติแล้วให้พ้นจากการตกไปในไบยพภูมิและตกไปในสังสารวัฏก็คือพ้นนั่นเองฉะนั้นบุคคลที่มาประพฤติปฏิบัติในกุศลศีลกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดกายวาจาใจสะอาดก็เลยมีความสุขจากการที่ต้องไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร ไม่ต้องไปกล่าวไม่ต้องไปมีเวรมีภัยกับใครเป็นต้นก็เลยมีความสุขจากการประพฤติกายก็สุจริตวจีก็สดจริตมนโนก็สุจริตนี่แหละการที่ประพฤติปฏิบัติในศีลจึงเป็นความสุขในระดับหนึ่งเขาเรียกศีลละสุขนอกจากนั้นวิถีของนักบวชเนี่ยเห็นมไหมนอกจากได้ความสุขจากการอยู่กับศีลแล้วเนี่ยจึงได้ความสุขจากการที่ว่ามีสติสัพชัญญะในการกำกับอยู่กับตัวไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลง มีการมีสติสัมปชัญญะในการก้าวไปถอยกลับแลงตรงแลงเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่เจริและปัสสาวะในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งการมีสติสัมปชัญญะในการกำกับนี่ก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งที่ไม่ให้กิเลสคือความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงไหลเข้าสู่กระแสจิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะฝึกความสุขต่อไปก็คือสุขที่ได้จากสมาธิทุกระดับ เขาเรียกว่าสมาธิสุขและสุขที่สูงไปกว่า น, นั้นก็คือได้ปัญญาที่สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นวิปัสสนาสุขแล้วก็ได้เข้าถึงพานิพานคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็เป็นนิพพานสุขอันนี้ก็คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตามลำดับในสามัญญผลสูตรที่พระเจ้าตอบปัญหาแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูที่ที่สวนมะม่วงของนายของ ของหมอชีวกกมรารพัฒ ท, ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งพอพุทธศาสนาล่วงการผ่านมาตามลําดับหลังจากพระบรมศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานแล้วเนี่ยสามปีมาถึงยุคของพระเจ้าชาติศัตรูเอขอข้าไปเมาถึงยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชในยุคนั้ น, นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไม่ใหม่หมไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาพออยู่ต่อมาตนเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ย เมื่อได้รับราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วคองราคองแฟะชมพูทวีปแล้วเนี่ยก็เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีการถวายสร้างวัดเนี่ยแปัวัดสร้างเจดี 84,000 เจดีแล้วก็ปักเสาโศกเป็นศิราจารึกเอาไว้เนี่ย 84, ต้นแล้วก็บำรุงพระภิกษุสมณีนเนี่ยทั่วชมพูทวีปเขียนหลักศิราจารึก ให้ประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมเป็นต้นแล้วก็ทั้งประเทศทั้งชมพูทวีปในยุคนั้นนะ่ะไม่มีการฆ่าสัตว์ตชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถวายทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเนี่ยเกาสิโกดยอมลองคิดดูนะ92โกดโกรธละ10ล้านเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ทีนี้เมื่อถวายบํารุงพุทธศาสนามากขนาดแล้วขนาดนั้นแล้วเนี่ย มีอยู่วันหนึ่งก็กราบเข้าไปกราบทูลถามพระเถระซึ่งมีพระโมคคิีบุตรติสาเถระเป็นต้นในยุคนั้นก็ไปกราบทูลว่าก็ค่าแต่พระคุณเจ้าโยมเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาขนาดนี้แล้วก็ถวายทรัพย์บำรุงพุทธศาสนาเนี่ยนับเป็นจำนวนเงินตั้งเก้าสิบกโกฏขนาดนี้สร้างวัด 84,000 พวัดเจดีย์แปเจดีย์ สร้างเสาอโศกถวายเป็นพุทธบูชา8ป0 0 0สี่พัต้นบำรงพุทธศาสนาบำรงภิกษุสมณีนทุกวันนับไม่ถ้วนจนถึงปัจจุบันณนะขณะ น, นี้ชื่อว่าโยมเนี่ยได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้เป็นญาติกับพระศาสนาหรื อ, อยังมีตั้งประเด็นนี้ถามพระเถระพระเถระก็ตอบบอกว่ายังเห็นไหมขณะทำบุญขนาดนี้นะยังไม่สามารถเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถเป็นญาติกับพระธรรมได้ ไม่สามารถเป็นญาติกับพระริยสง์เป็นตนได้คือไม่สามารถเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทีนี้พระเจ้าโศ ก, ก็เลยถามบอกว่าแล้วยอมจะทำอย่างไรยอมจึงจะสามารถเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าคืออยากจะเป็นญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทลาก็เลยบอกว่าถ้ายมเนี่ยมีลูกชายเอาลูกชายมาถวายมาบวชในพุทธศาสนา หรือถ้ามีลูกสาวเอาลูกสาวมาบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาเมื่อสามารถเอาไปถวายในพุทธศาสนาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยโยมที่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเนี่ยชื่อว่าจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าใจยังจะได้เป็นญาติกับพระธรรมภาริยสงฆ์พอพระเจ้ า, าโศกได้ย็นอย่างนี้ปุบ๊บปีติเกิดปราโมทย์เกิดปัตสิทธิสงบกายสงบใจเกิดสุขสมณัสเกิดเราจะต้องทําไม่ได้ก็ไปพูดเกลี้ยกล่อม กับลูกยุคสาวลูกชายตอนนั้นนะมีลูกชายชื่อว่าท่านพระมหินทะชื่อมหินทะกับนางสังคมิตราก็เลยไปบอกลูกทั้งสองคนบอกว่าลูกช่วยทำมโนรสของพ่อให้เต็มหน่อยเถอะช่วยทำมโนรสของแม่ให้เต็มหน่อยเถอะคำว่ามโนรสยอมเข้าใจั้มทำศรัทธาทำความชื่นใจเนี่ยในจิตใจของพ่อและแม่ให้เต็มหน่อยเถอะ แม่อยากจะเป็นญาติพ่ออยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นญาติกับพระพุทธเจ้ามันจะได้ดียังไงยอมรู้ไหมเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ไม่ต้องเกิดเกิดเป็นสัตว์นรกไงจะได้ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไงจะได้ไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายจะได้ไม่เจ็บปวดในสังสารวัฏเพราะถ้าเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะต้องพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะรู้ว่าท่านผู้เนี้เคยยกบุตรที่ดานจะถวายเป็นพุทธบูชา ท่านก็จะมีดวงตาคือยานปัญญาเห็นใช่ไหมท่านก็จะไปโปรดท่านก็จะต้องดึงเราออกจากสังสารวัฏ ด, ดึงออกจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้พอรู้อย่างนี้แล้วก็ตื่นเต้นก็เลยไปบอกว่าลูกเอยช่วยทำมโนรสของพ่อให้เต็มทีพ่อทำบุญในพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นการทำภายนอกแต่ถ้าพ่อมีลูกเป็นเลือดเนื้อไงคาว่าลูกเนี่ยเลือดทิกก็ใช่ไหม เลือดที่เกิดจากอกเกิดจากสรีระของเราเนี่ยด NA ของเราสืบทอดมาจากเราไอ้ตรงเนี้เรากล้าสละสละบุตรที่ดาเนี่ยวายเป็นพุทธบูชาการที่เหมือนเด็ดดวงใจยื่นเนี่ยเข้าใจยอมไหมเด็ดดวงใจยื่นน่ยอันนี้เป็นจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ด้วยนะการที่ถวายลูกแด่พระเจ้าเนี่ยเช่นพระเวสสันดรเห็นไหมพระเวสสันดรก็ให้นางให้นางกันให้กันหาชาลีอะ ใช่ไหมนั่นแหละหรือถ้าในสมัยรัตนโกสินทร์พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่สามรัชการที่สามก็ทําจริยาวัดนี้นะถวายบุตรแล้วก็ถวายที่ดาให้กับพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็รับเข้าไว้แล้วก็ถวายกับคืนนี้เป็นต้นฉะนั้นพอพระเจ้าโศกรู้อย่างนี้ปุ๊บก็ไปบอกกับพระมหินทะต่อมาพระมหินทะเนี่ยก็เข้ามาบวชในพระศาสนา พอมาบวชเสร็จแล้วก็ตั้งใจเล่าเรียนพระธรรมวินยัยอย่างอุกฤษเลยนะประพฤติปฏิบัติให้สังเกตดูนะว่าเวลาถวายบุตรเป็น เ, เป็นพุทถบูชาเนี่ยแด่พระเจ้าถวายที่ดาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยทั้งพระมหินท้าเถระและนางสังคมิตาเถรีทั้งสองท่านเนี่ ย, ต, นนยต่อมามีชื่อเสียงมากจำได้ไหมว่าตอนที่พระเจ้าอาโศกส่ง สาวกไปประกาศศาสนาเก้าสายสายหนึ่งไปไหนไปที่ศรีลังกาใช่ไหมชมพูทวีศรีลังกาประเทศศรีลังกาปัจจุบันเนี่ยก็ส่งพระมหินท่าเถละพร้อมด้วยคณะสงฆ์อีกห้ารูปไปประกาศพุทธศาสนาที่ลังกาในยุคนั้นแล้วก็ไปประดิษฐานทําให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้นั่นก็ผลงานของพระมหินท่าเทละอีกท่านหนึ่งก็คือนางสังคมิตาเถรี ได้นํากิ่งต้นพระศีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นโพตัสรู้ที่พระเจ้านั่งประทับตัสรู้ที่พุทธคยานั่นแหละตอนกิ่งต้นพระศีมหาโพธินั่นแหละไปปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกาที่อนุราทัพบุระในปัจจุบันและต่อปัจจุบันเนี่ยต้นโพนั้นยังอยู่ด้วยนะต้นโพเป็นต้นโพที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดสองพันห้าร้อยกว่าปีเห็นไหมแล้วชาวรังกาหวงแหนมากแล้วก็ ไปบูชากันยิ่งวันสำคัญในพุทธศาสนาไปกันเป็นแสนเวลานี้เห็นไหมคติความเชื่อว่าการได้ถวายบุตรแต่พระเจ้าเนี่ยจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเรามองถึงโยมพ่อโยมแม่อย่างทิจิระและโยมปารณีเนี่ยตอนเนี้ยตอน น, ตอนนี้ถือว่าได้เป็นญาติแล้วแต่ยังไม่ได้บริบูรณ์นะจะจะให้บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกชายเนี่ยได้บวชเป็นภิกษุ ในขณะที่สงลงมติกันว่ายอมรับท่านผู้นี้เข้าสู่หมู่ขยันนะโดยความเป็นสงวินาทีใดวิทาวินาทีนั้นนะ่ะชื่อว่าได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทันทีได้เป็นญาติทันทีเพราะอะไรเพราะเรามีบุตรเพราะเรามีธิดานี่แหละเพราะเรามีลูกนี่แหละนั้นพอลูกบวชปุ๊บพอพระสง์รับรองว่าท่านผู้นี้คณะสงยอมรับ ว่าเป็นภิกษุในพุทธศาสนาต่อไปนี่แปลว่าพ่อและแม่ได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วและการเป็นญาติจะเป็นอยู่ตลอดที่ลูกนั้นอยู่ในผ้ากาสาวพัดนะตราบใดลูกยังอยู่ในผ้ากาสาวพัดยังเป็นนักบวชตราบใดชื่อว่าพ่อและแม่ได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ยมต้องมาร่วมกันอนุโมทนานะที่เป็นญาติมิตร ว่าโอ้โหเรามีลูกไหมเรามีลูกถ้าเรามีลูกเราจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้ถ้าไม่มียอมก็มาอนุโมทนาไงคำว่าอนุโมทนาแปลว่าอะไรมาแสดงความยินดีด้วยมาชื่นชมด้วยมาสนับสนุนเกือเก้อกูลด้วย <c oughs> ว่าท่านพูกนี้ได้ดีแล้วหนอ ที่ได้มีโอกาสเป็นญาติของพระพุทธเจ้าบุคคลที่บวชเข้ามาเป็นพระเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัมมณะสัมมณะแปลว่าผู้สงบนะสัมมณะเชื้อสายสากยบุตรพุทธชิโนรสแปลว่าอะไร <c oughs> แปลว่าเมื่อบวชปุ๊บเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นบุตรของพ่อแม่อีกต่อไปนะเคยเป็นยมพ่อยมแม่แต่จริงๆคือ ยกจากสถานะเป็นบุตรของพ่อแม่ก็กลายเป็นบุตรของใครเป็นบุตรของพระเจ้าก็คือเป็นลูกของพระเจ้าทันทีนี่ต้องเข้าใจตรงนี้หนึ่งนะนี่ประการหนึ่งไม่ใช่ว่าพอยกลูกไปบวชพระแล้วลูกก็ยังเป็นลูกของเราอยู่อันนั้นเป็นโดยสมมติแต่โดยสถานภาพโดยความเป็นจริงลูกเราได้เป็นลูกของพระเจ้าและเราได้เด็ดดวงใจยื่นถวาย เรียบร้อยแล้วอันนั้นให้เข้าใจตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้ายอมมานั่งนึกดูนะว่ายอมเคยมีลูกบวชไหมและตอนนี้ใครที่มีลูกบวชพระอยู่หรือคิดอยากจะให้ลูกบวชหรือได้เคยไปอนุโมทนากับคนที่เขาได้บวชลูกบวชหลานเนี่ยกุศลมันจะเกิดในในประเด็นนี้ทีนี้พอร่วงการผ่านมา ในยุคปัจจุบันมาบอกว่าการบวชเนี่ยได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่ใช่ไหมเมื่อสักครู่ตอนนํามาฉมาันตอนเพนเนี่ยก็ถามนาคถามนาคว่าหนูทำไมจึงบวชบอกว่าอยากจะบวชให้แม่ให้พ่อจะบวชกี่วันบอกบวชสิบห้าวัน นามาก็บอกบวชทาไมสิบห้าวันเนี่ยก็เลยเล่าเหตุเล่าผลให้ฟังว่าจะบวชทั้งทีให้ได้มาศึกษาอบรมให้เต็มที่บอกว่าตั้งเริ่มต้นเนี่ยให้ได้พรรษาได้ไหมน้าก็บอกว่าตกลงเห็นไหมเนี่ยกรณีอย่างนี้เราต้องโมทนานะว่ามีพอได้เหตุผลปุบ๊บ ก็พร้อมที่จะบวชและจะศึกษาเพราะบวชเข้ามาเนี่ยจะมีจะได้มีโอกาสได้หนึ่งคําคำว่าตอบแทนคุณของพ่อแม่คำว่าตอบแทนตรงไหนไม่ใช่ตอบแทนมาบวชเสร็จปุ๊บม่ได้ตอบแทนนะหลักการคืออย่างนี้เมื่อเราเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่มีศรัทธา คือพ่อแม่ไม่มีตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้พระเจ้าก็สามารถไปทำพ่อแม่มีตถาคตโพธิสัต t าคือเชื่อมั่นยอมเข้าใจคำว่าตถาคตโพธิสัต t า a ไหมคำว่าตถาคตโพธิสัต tha ก็แปลว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยจากมนุษย์ธรรมดา ฝึกฝนพัฒนาตนเองบำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารปัญญาวิริยะขันติสัจจะธิฏฐานเมตตาละเวขาบำเพ็ญอุปปา ร, ร, ร, ร, รมีสิบปรมัทธบารมีสิบมหาปริจาคะหมีทานมปริจาคะจนถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดฝึกฝนทั้งพฤติกรรมจิตใจและธรรมยานปัญญาเกิดขึ้นจากมนุษย์ธรรมดาจนสามารถผันตนเองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้ ฉะนั้นการที่มีปัญญาเนี่ยการที่มีความเชื่อมั่นปัญญาของมนุษย์ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมีศรัทธาในปัญญาตรงนี้เขาเรียกามีตถาคตพอที่ศรัทธาทีนี้ไปเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่พอต้องมาเอาความเชื่อมั่นมาเชื่อตนเองด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะได้แม้ฉันใด เราก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาให้เข้าถึงความเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ถ้ามีความเชื่อสองประการนี้นี้เขาเรียกว่ามีตถาคตโวธิส <im> ัต tha หนึ่งเชื่อมั่นในองค์ของพระเจ้าว่าเป็นพุทธะจริง 2. เชื่อมั่นว่าเราก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยถ้ามีศรัทธาอย่างเนี้ยเขาเรียกมีตถาคตโวธิสัต t h ฉะนั้นคนที่บวชเข้ามาเนี่ยตนเองมิต้องสร้างศรัทธาตรงนี้เกิดขึ้นและก็ฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าให้ได้ฝึกตนเองเข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลความงามในถ้ำกลางคือสมาธิความงามในที่สุดคือปัญญาเข้าถึงความงามของพธรรมะในสมระดับให้ได้แล้วก็ออกจากความเป็นบุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลให้ได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้จากตถาคตโพธิศัทธา ก็พัฒนาเป็นรัตนะตยตตสัทธาก็คือเชื่อมั่นในองค์ของพระพุทธเจ้าด้วยเชื่อมั่นในธรรมะด้วยเชื่อมั่นในสังฆะด้วยพุทธธรรมะสังฆะจึงเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถ้ามีความเชื่อแล้วก็เชื่อว่าตนเองก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความเป็นพุทธะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามของธรรมะฝึกตนเองจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่ามีตถาคตโพธิสัต์เห็นไหมเนี่ยหน้าที่ของลูกที่บวชเข้ามาถ้าพ่อแม่ไม่มีศรัทธาก็ต้องทำพ่อแม่มีศรัทธานี่เรียกตอบแทนนะสองพ่อแม่ไม่มีศีลพ่อแม่ยังฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จดื่มสุราเมลัยก็สามารถทำให้พ่อแม่ออกจาก การทุศีลเข้าสู่ความเป็นผู้มีกุศลศีลในการดําเนินชีวิตมีพฤติกรรมทางกายทางวาจามีอาชีพที่บริสุทธิ์ถ้าสามารถทําได้อย่างนี้บอกพ่อแม่ได้อย่างนี้ชักจูงพ่อแม่ได้อย่างนี้เขาเรียวกว่าตอบแทนคนของพ่อแมอ่ในระดับที่สองคือระดับศีล ไ, ได้แล้วนะระดับที่สองระดับที่สามพ่อแม่ไม่มีสุตตะสุตตะในที่นี้แปลว่าอะไรรู้ไหมไม่มีข้อมูลของพระอริยะ ไม่มีข้อมูลของพระพุทธเจ้าเช่นยังดาเนินชีวิตแบบผิดพลาดอยู่เลยในการดำเนินชีวิตไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตยังพูดเท็จสอเสียดคำหยาบใช้ชีวิตแบบผิดผิ ด, ผดพลาดอยู่เลยแต่สามารถนำข้อมูลของพระพุทธเจ้าเช่นหน้าที่ของความเป็นพ่อเนี้ยหน้าที่ของความเป็นแม่ใช่ยอมรู้ไหม พ่อแม่มีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อลูกอย่างไรยอมรู้รึเปล่าหรื อ, รอสามีเนี่ยมีหน้าที่ในพึงปฏิบัติต่อภรรยาอย่างไรภรรยาพึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อสามีอย่างไรเนี่ยบางคนไม่รู้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้บวชเข้ามาเนี่จะต้องเอามามีวิธีการในการที่จะบอกพ่อและแม่อามายกท่านหนึ่งตัวอย่างนะอยอมผู้หญิงเนี่ยและยอมผู้ชายที่นั่งกันอยู่เนี่ย เชื่อไหมว่ายอมผู้ชายโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าผู้หญิงมีความทุกกี่อย่างและยอมผู้หญิงที่นั่งกันอยู่เนี้ยก็ไม่รู้ว่าตนเองนะ่ะมีความทุกกี่อย่างไม่รู้ในที่นั่งๆั่งอยู่เนี้ยแต่พระพุทธเจ้ารู้จากเราพระที่บวชเข้ามาก็ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาหาข้อมูลตรงเนี้ยแล้วก็มาบอกมาบอกยังไง ร, รู้ไหมหนึ่ง ความทุกข์ของผู้หญิงที่จะแต่งงานเนี่ยนะความทุกข์ข้อแรกของเธอคืออะไรรู้ไหมโยมหนึ่งความทุกข์ที่ในความว่าผู้เราผู้หญิงจะไปอยู่กับใครอะก็ต้องจากพ่อแม่ใช่ไหมของตนเองจากปู่ตายายยายญาติมิตรเพื่อไปใช้ชีวิตกับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องเชื่อมั่นว่า ผู้ชายคนนี้จะสามารถนำพาชีวิตของตนเองให้รอดปลอดภัยและไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เป็นความกังวลของผู้หญิงนะเป็นความทุกข์ของผู้หญิงข้อแรกฉะนั้นเขาจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็ต้องรักษาศรัทธาสร้างศรัทธาในข้อนี้ให้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าเธอเนี่ยเลือกคนถูกนี้เป็นต้นนี่ความทุกข์ของผู้หญิงข้อแรกนะความทุกข์ของผู้หญิงข้อที่2ผู้หญิงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายใช่ไหมเดือนละหนึ่งครั้ง เขาเกประจําเดือนเนี่ยงั้นผู้หญิงจะมีภาวะของความเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายความทุกข์ใจจะเกิดง่ายผู้ชายก็ต้องรู้จักภาวะผู้หญิงที่จะมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงในร่างกายว่าจะต้องมีการปลอบประโลมยังไงให้กําลังใจยังไงให้คําแนะนํำยังไงนี่ข้อที่2ข้อที่สทุกจากการตั้งครรนข้อที่4ทุกจากการคลอดข้อที่5ทุกจากการเลี้ยงดูบุตรข้อที่6 ทุกาการจะต้องคอยปรนเปรย์ปฏิบัติฝ่ายชายยี่เป็นต้นนั้นผู้ชายจะต้องชานฉลาดในการปฏิบัติต่อเธอไงนั้นในรายละเอียดนี่เมายกตัวอย่างเพให้เห็นทีนี้ในกรณีแบบเนี้สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันอย่างไรนี่นะคนที่บวชมาเนี่ยก็จะต้องสามารถนําไปนําเสนอบอกพ่อและแม่ให้ให้ให้เข้าใจว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ายกย่องเนี่ยผู้ชายต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาผู้หญิง กับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องให้เกียรติกันยังไงต้องประคับประคองกันยังไงต้องวางท่าทีทางใจยังไงต้องปฏิบัติต่อการอย่างไรที่ไม่มีการดูหมิ่นซึ่งการละการอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่ า, วาจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่มีข้อมูลของพระพุทธเจ้าก็หาวิธีการหาเวลาในการทิ่นําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบอกกับพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่นั้นปรับวิธีคิดปรับพฤติกรรม แล้วก็ต่อถึงปรับทัศนคติของตนเองให้ได้ถูกต้องดี ง, งามแล้วก็จะได้เป็นไปในความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวในการเป็นอยู่นี้เป็นต้นเงี้เห็นไหมพ่อแม่ไม่มีสุดตะไม่มีข้อมูลก็ให้มีข้อมูลประการต่อมาก็คือพ่อแม่ไม่มีจาระคําว่าจาระเนี่ยมันมีสองส่วนนะคือการสละข้างนอกนั้นก็เป็นทานนะแต่ถ้าจะเป็นจาคะเนี่ยมีการสละข้างในด้วยสละความกําหนัด สละความขัดเคืองสละความมัวเมาลุ่มหลงความมืดบอดด้วยในกรณีแบบนี้มันเลยเป็นการสละทั้งนอกด้วยสละข้างในด้วยอันนี้เขาเรียกจาคะพ่อแม่ไม่มีจาคะก็ให้พ่อแม่ได้มีจาคะประการสุดท้ายก็คือว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาพ่อแม่ไม่มีปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของ ปัญญาในการดําเนินชีวิตยังไงปัญญาเกี่ยวในเรื่องของกรรมและผลของกรรมปัญญาจะเกี่ยวกับการรู้แจ้งชีวิตตามความเป็นจริงยังไงหน้าที่ของผู้บวชก็ต้องมาแนะนําให้พ่อแม่ได้มีความเข้าถึงกรณีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนท่านก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเราตอบแทนพ่อแม่เช่นพ่อแม่ไม่มีผ้านหาบ้านให้พ่อแม่พ่อมีไม่มีข้าวหาข้าวให้พ่อแม่พ่อแม่ไม่มีเสื้อผ้าให้หาเสื้อผ้าให้พ่อแม่ พ่อแม่ไม่มียานพานะไม่มียาก็หายาหายานพานะให้พ่อแม่การตอบแทนลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนภายนอกไม่เรียกว่าเป็นการตอบแทนที่แท้จริงเพราะทําให้พ่อแม่ได้ความสะดวกสบายในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่การที่ทําให้พ่อแม่ได้มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยให้พ่อแม่ตั้งมั่นในกุศลศีลให้พ่อแม่ได้พ่อแม่ได้มีสุตตะคือข้อมูลของพระเจ้าให้พ่อแม่ได้มีจาครคือการสละทั้งข้างนอกและข้างใน ให้พ่อแม่ได้มีปัญญาคือรู้และเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นกรณีอย่างนี้ทำให้พ่อแม่ได้กุศลได้คุณความดีได้สุดจริตได้กายสุดจริตได้วาจาสุดจริตได้ใจสุดจริตได้ความเห็นที่ถูกต้องสุดจริตกรรมที่เราให้กับพ่อและแม่สุดจริตกรรมเหล่านี้จะตามส่งเสริมพ่อแม่ในทุกอัตภาพที่พ่อแม่เกิดไม่ว่าจะไปเกิดณนะอัตภาพใดณนะที่ใดในพบใด สุดจลิตกรรมเหล่านี้กุศลเหล่านี้คุณความดีเหล่านี้ก็จะตามส่งเสริมพ่อแม่ไปทุกๆอัตภาพนี่เป็นสมบัติที่ถาวรแต่ถ้าเราไม่บอกไม่ชี้แจงไม่แนะนำพ่อแม่ก็จะประพฤติผิดบ้างถูกบ้างทั้งทุจริตทั้งสุดจลิตสุดจลิตก็ตามส่งเสริมทุจริตก็ตามเบียดเบียนมฉะนั้นการที่ได้ลูกมาบวชเป็นเข้าสู่ล่มผ้ากาสาวพัดคาว่าผ้าที่ผ้าห่มเนี่ยโยมอย่างเนี้ย ที่เรียกพระจีวรเนี่ยเขาเรียกว่าธงชัยของพระอริยะนี่นะเวลามาห่มนี้แล้วเนี่ยมันปลอดภัยยังไงร้ไหมโยมมันปลอดภัยยังไงพอมาห่มแล้วเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่านี่คือนักบวชนี่คือสมณนสัมมนาก็แปลว่าผู้สงบบาปทางกายทางวาจาและใจคําว่าบวชนี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าเว้นนี่มันจะคําว่าปะแปลว่าทั่ววัชชาอนนี้แปลว่านีนแปลว่าเว้น ว่าชานี่แปลว่าเว้นการเว้นให้ทั่วเว้นจากวิถีชีวิตแบบคาวาะเว้นจากการครองเรือนเนี่ยเว้นจากการใช้ชีวิตแบบคาวาาวะคาววะเขาใช้ชีวิตอย่างไรนักบวชไปใช้ชีวิตแบบคาวาะไม่ได้นี่เขาเรียกว่ามาบวชมาศึกษามาฝึกฝนมาพัฒนาใช่เนี่ยลักษณะเนี้ยอันนี้เขาแปลว่าเป็นการต้องการที่จะฝึก ทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจโดยเฉพาะปัญญาของตนเองฉะนั้นญาติยมพทธบริษัททั้งหลายเรามาในวันนี้มาร่วมงานกับงานบุญนะกับนาคซึ่งเป็นลูกของทิจิลากะยมปานีเนี่ยยมรู้จักหมดเลยเออมาอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนาแปลว่ามายินดีด้วยยินดีด้วยก็คือมาชื่นใจ พอมาชื่นใจอย่างเดียวไม่พอนะมาได้ข้อมูลความรู้ด้วยวันเนี้ยที่โยมญาติมิตรโดยเฉพาะที่เจระและโยมเนี่ยนิมนต์อาตมามาตั้งนานแล้วนะให้มามาบรรยายเนี่ยว่ามาบรรยายบอกว่าลูกชายจะบวชเนอามาก็บอกเออดีอามาก็บอกว่ า, ออ า, วาที่แรกถามบอกว่าจะบวชกี่วันบอกสิบห้าอมาบอกโหสิบห้าเนี่ยไม่คุ้มเลยนะเนี่ย มาก็เลยมาบอกว่าทางนั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีก็เลยมาแล้วก็บอกเหตุผลซึ่งเออได้ลูกชายดีลูกชายที่ยอมรับฟังเหตุและผลแล้วรู้ด้วยว่าถ้าแค่สิบห้าวันเนี่ยไม่ได้อะไรมาโกนหัวเล่นเองยังห่มผ้าไม่เป็นก็ต้องศึกษาลาเพศไปแล้วแล้วใจก็ยังว้าวุ่นอยู่เลยใช่ไหมยังฝึกอะไรไม่ได้เลยโดยข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้น ทีนี้จะบวชทั้งทีเนี่ยการที่เป็นสมนาเชื่อสายศรกยาบุตรเนี่ยที่บอกว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากครืหัดแล้วเนี่ยอาการกริยาใดๆของสมณนเราควรทำอาการกริยานั้นๆลองคิดดูทีก่อนที่เราจะมาฝึกพฤติกรรมให้เป็นเหมือนนักบวชไม่ง่ายนะยอมนะเออพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาและการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงชีพ การดูการฟังการดมการลิ้มการสัมผัสการคิดนึกเนี่ยที่จะทําเหมือนนักบวชที่เขาทาใช่ไหมถ้าคารวาสเขาก็ทําอีกอย่างกิริยาอาการของค า, าวาสเขาเรียกว่าค า, าวาสเนี่ยเป็นเขาแปลว่าอะไรค า, าวาสเนี่ยนะเขาแปลว่าบุคคลที่ยังดําเนินชีวิตแบบคับแคบถ้าปรับพัชชาเนี่ยก็แปลว่าการชีวิตที่มีความโปร่งโล่งและเบาเป็นอิสระ ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่อิสระมากเลยนะหนึ่งไม่เป็นที่ค่าใครสองไม่ต้องจ่ายภาษีอกร 3. ม, มีความสุขอยู่ในกุศลศีลก็คือกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดแหมเป็นวิถีชีวิตที่มาดำเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายเข้าถึงบรมสุขคืคอพันนิพายนการสิ้นจกกักรีเลและกองทุกใช่ที่บอกว่าถามว่าคารวะนต่นก็แปลว่าคับแคบ นะคำว่าคับแคบข้อแรกคืออะไรรู้ไหมคำคารวะเนี่ยก็เรียกว่าหนึ่งพระหกิจโยสองพระหกกรณีโยสามพระหุราชาปัตโถสี่พระหุอาภาโธเนี่ยเห็นไหมห้าพระหุปุญญตายาโยอยอมแปลที่เราความหมายนะ คาวาสเนี่ยคําว่าพระโหกิจโจเนี่ยมีกิจมากคาวาสเนี่ยมีชีวิตที่ต้องมีกิจกรรมมากยอมสังเกต ด, ดูไหมมีกิจใหญ่ใหญที่ตั้งไว้เยอะหมดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีแต่เรื่องพ้าหิพระโหกรณีโยละเรื่องเล็กๆในน้อยก็เยอะที่จะต้องมาคิดมาไตรตรองมาไข ค, ควนมาวิตกกังวลโอ้โหสารพัดเลยเนี่ยเห็นไหมพระโหอาพาโทก็คือ มันคับข้องมากมันป่วยอะ่ะคำว่าป่วยในที่นี้คือใจอะ่ะสภาพที่จิตใจคับแคบมีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลมีแต่ความกําหนัดบ้างขัดเครืองบ้างลุ่มหลงบ้างเนี่ยเห็นไหมพระโหราชัพปโถก็คือช่องทางที่เดินแคบมากแคบยังไงจากที่ทํางานมาบ้านที่ทํางานมาบ้านที่ทํางานมาบ้านอยู่แค่เนี้ยวนๆอยู่นั่นแหละยอมไปไหนได้ไหม ชีวิตคารวะจริงๆยอมไปไหนได้ไหมไปที่ทํางานกลับมาบ้านที่ทํางานกลับมาบ้านไปที่นู่นก็วิ่งมาบ้านไปที่นู่นก็วิ่งมาบ้านสามารถจะปลอดโปร่งอย่างนักบวชไหมนักบวชไปที่ไหนก็ได้ไปอยู่วัดไหนก็ได้เดินได้ทั่วโลกในนักบวชเนี่ยมันโปร่งโล่งเบาวกว่ากันไม่คับแคบใช่ไหมชีวิตนักบวชเนี่ยไม่ต้องขึ้นตรงต่อกายกายเป็นอิสระเสรีภาพแล้วก็ผะหูปุญญยันตรายโยชีวิตคารวะเนี่ย คือเป็นอันตรายต่อบุญมากคำว่าเป็นอันตรายต่อบุญก็คือมันได้แต่บาปสังเกตดูนะออไปทำงานก็ได้แต่เรื่องขัดแย้งกันทะเลาะกันวิวาดกันมีแต่เรื่องบาปมีแต่ควางเศร้าหมองเดี๋ยวก็บ่นด่าว่ากันทะเลาะกันขัดแย้งกันแย่งชิงกันเอารัดเอาเปียบกันจิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองหาความสุขไม่ได้เห็นไหมชีวิตคารวะเนี่ย มันถึงบอกว่าครับแคบห้าอย่างหนึ่งพระหหกิโจโยมีกิจเยอะสองพระหหกรณียโยมีกรณียกิจอีกเยอะแยะมากสามพระหหราชา ป, ปัโถช่องทางเดินแคบมากช่องแคบแคที่เราเดินกันอยู่นั่นแหละจากบ้านไปที่ทำงานจากที่ทำงานไปนู่นมาหนี้วนอยู่ไมก่กี่บางคนเนี่ยวนอยู่แค่ว่าทอดขอภัยนะขายปลาท้องโง่ ตายคากระทะปลาทงโกบางคนก็ขายทุเรียนก็ตายคาสวนทุเรียนบางคนขายมะม่วงก็ตายคาสวนมะม่วงบางคนก็ขายลำไยตายคาสวนลำไยบางคนทำนาก็ตายคานายอยู่แค่นั้นแหละเห็นไหมมันไปไหนไม่รอดนั่งบางทีไปนั่งค้าขายในยมนะามาเจออยู่ลายหนึงคับแค่ขนาดไหนรู้ไหมไปนั่งขายของที่เขาเนิ่นน่ยตรงศิริราชเนี่ย เขาแบ่งปันที่ให้ขนาดนี้พอมีพอมีร้านเล็กๆทางกทมเขาปันที่ให้ก็ไปนั่งขายเออขายนเข้าวนเข้าแก่แล้วขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็กลัวเขาแย่งที่ตรงนี้ทำไงรู้ไหมก็เอาเปไปผูกเขาไว้แล้วก็ไปนอนนอนอยู่อย่างนั้นแหละจะให้คนอื่นมันก็คับแคบไงมันเสียดาย จะให้คนอื่นไปขายก็เสียดายมันหวงมันตันนีเพราะมันคับแคบไงช่องทางมันมีแค่เนี้ยตื่นมาตอนเช้าก็เอาเปยมาผูกแล้วก็มานอนขวางเขาอยู่งั้นแหละนี่ตายไปแล้วเห็นไหมคารวาสมันแคบขนาดนั้นนะมันไม่คล้าไม่ต่กล้าสละจะสลาให้คนอื่นไปค้าขายต่อไม่กล้าแล้วก็พะหูปุญญตาลาโย ο, ถามว่าบุญได้ไงวันนึงเนี่ยถ้าร้อยเซนเนี่ยได้บาปห้าได้บาปสักเก ได้บุญแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะวันหนึ่งก็มีแต่จิตเศร้าหมองเศร้าหมองนี้คืออันตรายของความเป็นคารวะบุคคลที่มาบวชเขาเห็นอันตรายแบบนี้เขาจึงมาถือเพศบัญญัติใช่ไหมแปลว่าเว้นให้ทั่วเว้นจากวิถีชีวิตแบบคลรวะเข้าสู่วิถีชีวิตของนักบวชก็แปลว่า ดำเนินชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญามีพระนิพพานเป็นจุดหมายเพื่อวางสิ้นกิเลสและกองทุกข์เป็นชีวิตที่อิสระเสรีภาพแล้วมันก็ปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างนี้เป็นต้นแต่นี้ถึงนาคเนี่ยไม่ได้ตั้งเจตนาไว้สูงสุดแต่ก็ต้องรู้จุดหมายเข้าไว้อาจจะมีเจตนาเพียงแค่หนึ่งพรรษาใช่ไหมหนึ่งพรรษาสี่เดือนห้าเดือนตั้งหลักไว้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า ขยายได้จากสิบห้าวันกลายเป็นพรรษาได้อามาก็ชื่นใจด้วยโมทนาด้วยอย่างแท้จริงนะบุคคลที่เป็นพ่อและแม่และญาติมิตรที่มาวันนี้ก็ต้องโมทน า, าว่าโอ้โหเนี่ยการที่จะกล้าดําเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่ในเพศของนักบวชเนี่ยบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครหัสธ์แล้วเนี่ยอาการกิริยาใดๆของสมณะเราควรทําอากับกิริยานั้นๆการรต่อไปนะการเป็นนักบวชไม่เหมือนคารวาส นักบวชเนี่ยการเลี้ยงชีวิตของนักบวชต้องอาศัยชาวบ้านก็มีอัถบริขารเห็นไหมมีบาทมีบาทหนึ่งใบเนี่ยไปได้ทั่วโลกมีอาชีพไหนฮะนักบวชเท่านั้นเลยยอมบาทใบเดียวไปได้ทั่วโลกอาตมาไปมาแล้วเออไปบางประเทศเนี่ยนะมาเล่าให้ฟังนะบางประเทศเนี่ยเออเอามาไปอยู่เด ล, ลีปัจจุบันในเด ล, ลีที่อินเดียเนี่ย เขาไม่มีวิถีชีวิตของการบินธบาติแล้วแต่เอามาไปเลยเอามาไปเดินบินธบาติเขาก็งงเลยให้พระทําทไมมาเดินอย่างนี้ใช่ไหมอามาก็บอกเขาเขาถามว่าคุณมาเดินทําอะไรอามาก็บอกว่านี่ไงอามาเป็นนักบวชเป็นสมมาเชื้อสายศักยาบุตรพุทธชิโนโรสอย่างนี้เขา เ, าเดินบินธบาติมาโปวดสัตว์เอปอปวดยังไง ร, รู้ไหมอามาก็เล่าให้ฟังว่ายอมอยากรู้ไหมเออคุณอยากรู้ไหมเดลีเนี่ย สมัยที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาชื่อว่าอะไรอเเขาก็ติดเขาก็อยากฟังใช่ไหมอมาก็เรียกเข้ามาล้อมเป็นวงแล้วมาก็พูดให้เขาฟังบอกว่าเดนลีที่เป็นเมืองหลวงของอินเดียปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าแคว้นกุรุเป็นกุรุรัฐเป็นรัฐที่พระเจ้าโกรพยะเป็นพระเจ้าเป็นดินในยุคนั้นสมัยก่อนพระเจ้าจาริกด้วยภิกษุตสองหมู่ใหญ่มาเทศนาสติปัฏฐานสูตรณนะที่นี้แหละ และประชากรในรัฐนี้ในเมืองนี้ทั้งหมดประพฤติปฏิบัติธรรมะกันทั้งเมืองเลยก็เล่าให้เขาฟังโอเ้เขาตื่นเต้นแล้วก็เล่าวิถีชีวิตของนักบวชเป็นยังไงนะเขานะเขาเขาก็เลยนิมนต์ไปเรื่อยเลยเต็มไปหมดเลยเนี้ยแล้วเขายังจะอยากจะสร้างวัดให้ด้วยนะอามาก็เลยบอกว่าไม่สะดวกเห็นไหมว่าวิถีชีวิตของนักบวชเนี่ยไปแบบไม่มีเวรไภกับใครไปได้ทั่วโลกมีบาทใบเดียวเนี่ยไปเหอะเนี่ยเป็นชีวิตที่อิสระ เป็นชีวิต ท, ที่อิสระเสรีภาพจริงๆนี้เป็นต้นนี้หมายถึงอิสระทางด้านร่างกายส่วนทางด้านจิตใจก็ต้องพยายามตัดอะไรก็ตัดเครื่องพันธนาการนี้เป็นต้นเอเลอัลเลาะห์ต้องการชี้แจงให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในพื้นฐานนะว่าโยมได้มาร่วมแปลงร่วมใจกันในการที่จะทําการร่วมโมทนาในการบวชคําว่าเนคขมมะก็ได้คําว่าบวชสับเดียวกันเนคขมมะศัพ์นี้แปลว่าการออกบวชในการออกบวช การออกบวชก็คืออย่างไรเมื่หอมผ้ากาสาวพัดเหมือนโยมนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยก็เรียกมาบรมเพนเนคขมมะสัพท์นั้นก็แปลว่าการออกบวชนี่ก็คือโดยรูปร่างโดยร่างกายทีนี้ถ้าบวชเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเนี่ยโดยสั ญ, ญลักษณ์อย่างเดียวไม่พอถ้าจะให้ตรงความหมายของคำว่าเนคขมมะหรือบวชอย่างแท้จริงก็คือใจต้องออกน้อมออกจากกรามด้วยน้อมออกจากความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินออกจากความคิดเบียออดเบียนออกจากความคิดพยาบาท การดําริออกจากกรามแบบนี้ออกจากพยาบาทเข้าถึงเมตตาออกจากวิหิงสาคือคิดเบียดเบียนเข้าถึงกรุณาใจที่คิดจะให้คิดจะสละและแบ่งปันใจที่เป็นไปกับเมตตาใจที่เป็นไปกับกรุณาใจที่เป็นไปกับกุศลที่น้อมออกจากสีเสียงกินลดผลพระอย่างนั้นเขาเรียกว่าเนคขมมะที่ถูกต้องหนึ่งกายก็ออกบวชสองใจก็บวช ด, ด้วย ออกมาแล้วใจก็จะมีความสุขก็ดื่มดั่อยู่กับสมาธิดื่มดั่อยู่กับศีลกับสมาธิมีความเชื่อมั่นอยู่กับเมตตากรุณามุถิตางี้เป็นต้นยอมพอจะจับประเด็นได้ไหมว่า น, นการบวชเนี่ยมาอาจจะพูดแบบสรุปประเด็นตรงนี้ให้ยอมได้ฟังพอจะได้ใจความนะเอาละประเพณีที่ยอมต้องทําก็ทําให้ถูกต้อง ตอนนี้ยอมได้มาเห็นหน้าแล้วมาร่วมโมทนาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะต้องมีการบรรพชาและอุปสมบทยอมก็มาร่วมกันกันอีกหนึ่งวันเมื่อบวชเสร็จแล้วนี้แหละผู้บวชก็จะต้องเป็นพระพอใช้วิถีเป็นนักบวชทุกวันก็ต้องดำเนินชีวิตเป็นนักบวชที่จะน้อมออกจากกามออกจากกิเลสทั้งหลายเหล่นี้เป็นต้นว่าไปส่วนที่ได้พ่อแม่ได้แน่นอน ได้สละยกลูกถวายเป็นพุทธบูชานี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคิดดูนะเลี้ยงมากว่าจะโตเนี่ยยอมรูม้ไหมตอนที่เด็กอยู่ในท้องเนี่ยใหม่ๆจริงๆเนี่ยเป็นน้าําใสๆอ่ะเขาเรียกกาละใช่ไหมการละเป็นจุดเล็กๆเนี่ยหมายถึงรูปธรรมนะส่วนนมามธรรมไม่ต้องพูดถึงด้านจิตใจไม่ต้องพูดถึงจากน้าําใสๆจุดเล็กๆที่อยู่ใน คันของแม่เนี่ยก็กลายเป็นสีขุ่นๆ ข, ขึ้นมาเขาเรียกเป็นสีเหมือนน้าล้างเนื้อจากสีเหมือนน้าล้างเนื้อก็เริ่มมาเป็นชิ้นเนื้อเขาเรียกเปสีเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเนื้อพอเป็นชิ้นเนื้อสันฐานก็เริ่มกลมเหมือนไข่ไก่จากสันฐานกลมเหมือนไข่ไก่ก็มีปุ่มออกห้าปุ่มเป็นศีรษะหนึ่งแขนสองขาสองแล้วต่อมาก็มีพวก ตาหูจมูกลิ้นนะค่อยๆโผล่มาวัยวะน้อยใหญ่ก็มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดจนถึงมันสมองเนี่ยกว่าจ ะ, จะเจริญกว่าจะวิวัฒนาการมาแบบนี้ถามว่าต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะรอดชีวิตออกมาได้เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยยอมและเวาอยู่ในคันของแม่เนี่ยก็คุดคูอยู่คุดคูอยู่ หันหันหลังออกมาทังด้านท้องของแม่หันหน้าไปตังด้านหลังก็คุดคูอยู่แล้วก็นั่งนั่งขัดนั่งคุดคูเหมือนลิงอ่ะเหมือนลิงอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในโพรงไม้อ่ะนั่งกอดเข่าตัวเองอยู่เนี้ยที่หัวที่กระหม่อมของเด็กเนี่ยเด็กในคันนะก็มีกระเพาะกระเพาะอาหารของแม่ทับอยู่บนหัวบนศีรษะ นั่งทับกับที่ถ่ายอยุจจาระปัสสาวะของแม่กับพาะอาหารเก่านั่งคดคูดอยู่อย่างนั้นแหละไอ้เจ้าเวลาพ่อและแม่เอ อ, อไปแม่เนะี่ยกินของร้อนเข้าไปปุ๊บความร้อนก็ตกใส่ศรีรษะเนี่ยร้อนทรมานมากกินของเผ็ดกินของเค็มกินของเปรี้ยวกินของหวานกินของเย็นมีผลกระทบกับเด็กหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเด็กเด็กที่ตายในครันมากกว่าเด็กที่มีชีวิตคลอดออกมาได้ นี่มันทกขนาดนั้นนะกระแสชีวิตเนี่ยแม่พอรู้ว่าโอ้โหมีลูกแล้วเนี่ยลองคิดดูที่ต้องประครับประคองประครบประงมดีใจจะดูแลยังไงที่จะให้ลูกพ่อก็โอ้โหดีใจพยายามวิ่งเต้นว่าเรามีลูกแล้วเรามีลูกแล้วพอเป็นลูกชายปุ๊บเนี่ยพ่อแม่คิดไงอยากไหถ้าเราเป็นชาวพุทธก็โอ้โหอยากจะให้ลูกบวชทิจิลเนี่ยปาลบอยากตลอดและอยากให้ลูกบวช ลึกๆจริงๆแหมบวชตลอดนี่ชอบใจขนาดนั้นเลยนะเพราะรู้ไงว่าการทํามากินมันยากการต่อสู้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการต้องมาคือคำว่าง่ายในที่นี้ไม่ง่ายหมายความว่าเลยไหมคนที่บวชมานานๆอย่างที่จิระก็รู้ไงรู้อะไรเลยไหมมันได้บาปมากกว่บุญกว่าจะได้เงินมาต้องได้บาปมาเยอะมากอนะ่ะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละ10 บ, บาทแต่ละร้อยบาทมันต้องมาทาบาปแลกแลกเงินนะ่ะ บางทีต้อเสียสุขภาพเพื่อให้ได้เงินใช่ไหมนี่นายยอมหลายๆคนนะ่ยสุขภาพเบี้ยงจะ ไ, ไปแถวไปแนวแล้วยอมเสียสุขภาพเพื่อให้ได้เงินแล้วพอแก่ตัวมาหน่อยก็คือยอมเสียเงินเพื่อซื้อสุขภาพแล้วมันทันไหมแต่นี้ยบางทีไม่ทันแล้วสุดหมดตอนเนี้ไตเป็นยังไงตับเป็นยังไงปอดเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงมันสมองเป็นยังไงเลอะเลือนหมดหนักเข้านักเข้ากัเป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วก็ตายไป แล้วก็จมอยู่ในสังสารวัตรรู้ทำไมไม่รู้อ่ะบวชมาขนาดนี้ไงก็เลยบอกว่าไหนถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกบวชแล้วก็รู้ธรรมะคอยโปรดพ่อแม่มียิดยึดยองพ่อแม่ท้โอ้ยพ่อแม่จะสบายใจจะชื่นใจมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้ไปห้ามนั่นคือความความความลึกๆในใจของพ่อและแม่อยากจะถ้าตายแล้วเนี่ยหรือใกล้จะตายเนี่ยถ้าลูกชายเนี่ยมาโปรด เ ห, เหมือนเหมือนอามาเนี่ยตอนโยมพ่อป่วยอามาไปดูแลเลยไปดูแลไปบินฑบาต้อนข้าวบอกทางหนทางให้อามาถามว่ายมพ่อถามว่าบุญที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยหรือความดีที่ทำมาทั้งหมดตอนนี้พ่อใกล้จะตายแล้วเนี่ยพ่อชื่นใจอะไรมากที่สุดโยมพ่อบอกว่าไงถูกไหมชื่นใจมากที่มีลูกชายบวชพระ และชื่นใจมากว่าได้เกาะผ้าเหลืองลูกก่อนตายอ่ะแกก็บอกว่าเนี่ยในในอำเภอเนี่ยไม่มีใครโชคดีเหมือนแกถามว่าไงเอายอมเนี่ยพ่อเนี่ยใกล้ตายลูกชายมาดูแลมาบอกทางให้ทุกวันแล้วคอยบอกวิธีตลอด สวดมนต์ให้ฟังมาแนะนำเขาเรียกว่ามาปิดตาก่อนตายอ่ะมีใครทามีใครเป็นแบบนี้บ้างเห็นไหมแกบอกแกโชคดีที่สุดเห็นไหมลึกๆจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะได้มีลูกเพื่อจูงเราใช่ไหมนำพาเราไปสุขติโลกสวรรค์อันนั้นคือความปรารถนาแต่ว่าลูกจะทำได้แค่ไหนก็เรื่องของลูกแต่ความปรารถนาของพ่อแม่ก็ไม่ได้ไป บ, บังคับเป็นอิสระที่ลูกจะต้องคิดเอาเอง อย่างนี้เป็นต้นที่พูดให้ฟังตรงนี้อยากจะให้รู้ว่ากว่าจะได้ลูกมาสักคนยากมากวันนี้ทิจิละอน ย, ยมปราณีพวกเราทั้งหลายได้เห็นผลผลิตว่าทำพ่อและแม่ให้ชื่นใจจริงๆลึกๆนะ่ะดีใจมากพ่อแม่ดีใจปลื้มใจว่าเรามีลูกและลูกได้บวชให้ ไอ้ที่เหนื่อยมาทั้งหมดมันหายนะไอ้ที่มันทกมาที่มันเหนื่อยมาทั้งหมดเนี่ยนึกลองนึกให้ดูที่ทั้งเหนื่อยดูแลเข้ามาเนี่ยโอ้โหวันนี้ชื่นใจมากมาโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ด้วยนะยิ่งปลื้มใจใหญ่เห็นลูกห่มผ้าเหลืองเดินออกจากโบสถ์ว่าโอ้โหมันอย่างอย่างกับโปร่งโล่งเบาหมดเนะี่ยเป็นอย่างนั้นยอมเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยยอมก็โมทนาแล้วก็ชื่นใจว่าโอ้โหเนี่ยเป็นบุญนาะที่มันไม่ตายก่อนไง ไม่ไม่ตายก่อนเนี่ยตายในท้องก็ได้ออกมาตายก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปเกิดอุบัติเหตุตายก็ได้ใช่ไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไปโดนเขายิงโดนก็แทงตายมันว่าเสียวมาตลอดแต่วันนี้ได้บวชแล้วนะปลอดภัยแล้วเนี่ยและเราได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้ายมนึกไว้พ่อและแม่นึกไว้ ให้ท่องไว้ในใจว่าเราได้เป็นญาติพระพุทธเจ้าแล้วเราได้เป็นญาติพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ไปอบายภูมิแล้วเราพ้นจากทุกแน่นอนฉนันขอโมทนาในกุศลที่น่าอนาถชัยนะที่ทํามโนรดของพ่อและแม่ญาติมิตรให้เต็มฉนันในฐานะเป็นนักบวชก็อดอดที่จะชื่นใจในกุศลในครั้งนี้ไม่ได้ถึงเหนื่อยยังไงก็อยากจะมา บอกอยากจะมาเทศอยากจะมาอธิบายให้ฟังที่จริงมีเรื่องที่อยากจะเล่าเยอะแยะแต่วันนี้เอาไว้แค่นี้